184ไม่ง่ายเลยที่จะรู้ตนว่าเราหลงง ม, มอยู่กับอดีตอนาคตในพระไตรปิฎกเล่ม9้าตั้งแต่ข้อ27พระพุทธเจ้าตรัสถึงทิท่สี่ิสออยู่ในสูตรนี้เริ่มจากอดีต18ปดุพันตะกับปิกทิธิ1ิปดุพันตะกับปิกทิธิคือ ผู้เวียนว่าอยู่ในกลับที่เป็นอดีตก็เข้าไปในพวังคือระลึกรู้ไปถึงภาวะที่ตนเคยอยู่ในสภาพอดีตการระลึกย้อนกลับไปรู้สึกนึกรู้เอาตามขันที่ตนเคยมีมาแล้วจะระลึกรู้ในขณะหลับตาสะกดจิตเข้าไปในพบภายในก็ได้ จะระลึกรู้ในขณะลืมตาตรึกเอาคนคิดเอาก็ได้โดยการกําหนดขันส่วนอดีตมีความเป็นไปตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตแล้วมีทิฏฐิของตนเป็นมิจฉาทิฏฐิ18ทิฏฐิผู้ปฏิบัติที่หลงมุ่นอยู่กับอดีตเป็นพวกหลงอดีต18เท่าที่พระพุทธเจ้าประมวลไว้ทั้งหมด มีมิจฉาทิฏฐิงมอยู่กับอดีตมีเท่านี้ส่วนมากก็จะทำได้ในขณะหลับตาเข้าไปทำใจให้เป็นเจโตสมาธิระลึกในผวางังแล้วย้อนนึกเอาตรึกเอาจากอดีตเดิมทั้งนั้นไม่ว่าจะลืมตาแต่นึกเอาตรึกเอาหรือหลับตาทำสมาธิ แม้ไม่ทำสมาธิก็ตามนึกเอาตรึกเอาได้ทั้งนั้นแหละก็มันฝันเอาหน้ามันไม่มีความจริงเลยแม้แค่สมมุติสัจจะยิ่งปรมัติติสัจจะไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะนั่นมันยิ่งต้องมีหลักเหตุปัจจัยครบทุกขา์อาอริยศัสตร์เกิดในภาวะที่ไม่ใช่ปัจจุบันนั้นเช่น ไปเกิดอยู่ในอดีตรหรือไปเกิดอยู่ในอนาคตนั่นคือใครก็ไม่มีสิทธิ์ไปแก้ไขไปจัดการกับความทุกนั้นได้ทุกข์าอาริยสัจที่เป็นอนุสัยในอดีตของอตาตตาใดทุกนั้นจะเกิดก็ต้องเกิดในปัจจุบันของอาตานั้นทุกคนบิดพลิ้วไม่ได้ ยิ่งทุกข์ค่ะอารยศสตร์ในอนาคตของอัตราใดทุกนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาเกิดเพราะเป็นอนาคตแล้วจะไปแก้ไขกันที่ไหนเพราะอาดีตมันคือภาวะที่เกิดเป็นภาวะนานเรียบร้อยในตัวมันเองแล้วส่วนอนาคตก็มันยังไม่มีเลยแล้วจะไปแก้อะไรมันเล่า มัวมุ่นไปหลงเอาแต่ในภายในไม่มีภายนอกซึ่งก็คือผู้หลับตาทาสมาธิอยู่แต่ในภายในไม่มีภายนอกทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละก็หมดหวังบรรลุธรรมแน่ยิ่งกว่าแน่ดังนั้นต่อให้ระาลึกอย่างรู้อดีตของตนไปได้อีกเท่าไหร่มันก็ไม่มีสิทธ ไม่มีทางที่จะแก้ไขทุกนั้นให้เปลี่ยนแปลงได้เลยเด็ดขาด